ข้าพเจ้าพระภัยบุญหรือภิปุญโญจากวัดป่าดอนหายโศกอําเภอนองานจังหวัดอุดรธานีเวลาที่มาพบกันนั้นก็กล่าวอยู่เรื่องเดียวนั่นคือเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้การที่เอามาบอกต่อ น, นั้นก็เป็นการบอกต่อเฉยๆไม่ได้เป็นการสอนเพราะฉะนั้นถ้าบอว่าธรรมะดดใดๆตามการตอบคำถามก็ตาม การอธิบายขยายความก็ตามนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ตามความรู้ความเข้าใจของตัวข้าพเจ้าเองท่านผู้ฟังเมื่อฟังแล้วก็ลองนําไปใคร่ครวญพิจารณาหากส่วนไหนที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลก็ขอให้นําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลนันชอบด้วยแต่ถ้าอันไหนยังไม่ชัดเจนยังไม่เข้าใจท่านผู้ฟังก็สามารถเขียนมาถามได้อย่าลังเลที่จะเขียนมาถามช่องทางการติดต่อกับทางรายการหรือตัวข้าพเจ้านั้น แล้วก็ได้หลายทางนะจะเขียนจดหมายก็ไดนะ้ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโ่งอําเภอนองหันจังหงวัดบุรีรทานีรหัสไปรษณีย์สี่หนหหรือว่ามาทางอ e ีเมลเว็บไซต์ก็ได้นะที่เพียวธร m มะดอทคอมใครสดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ p i ียว ama.com จะมีหน้าสามารถส่งข้อมูลได้อยู่ในการที่จะมาพูดคุยธรรมากันนี้ เนี่ยเราก็ใช้หลักคำสอนของพระเจ้าคือธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วนี้ก็คือเรื่องของเริยสัตินั่นเองในใครสักคนหนึ่งจะมารู้เริยสัติได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องอาศัยการที่มีพระพุทธพระรรมพระสงค์มีพระพุทธพระรมพระสงค์คุณถึงจะมารู้เริยสัติได้พระพุทธพระมพระสงค์เนี่ย ก็คือให้เป็นที่พึ่งได้นะให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทีนีเ้เรื่องของคํำสอนพระเจ้าเนี่ยพอมีการประกศาศออกไปแล้วเนี่ยมีความหมายเบื้องลึกก็มีความหมายเบื้องตื้นก็มีอย่างเรื่องความเข้าใจในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็มีปริพาชก ค, คนหนึ่งชื่อปีโลติกาปริพาชกเนี่ยเขาก็มายกย่องพนะระพุทธเจ้าถึงความที่พระพุทธเจ้ า, านั้นดีอย่างไง เขาคนนี้ก็มีเครื่องที่เขาจะยืนยันมั่นใจนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสมมาสมุทาพระธรรมเป็นสวาสดิตาพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันธ์เนี่ยด้วยอาศัยเครื่องอ้างอิงของเขา4อย่างแต่เขาบอกอย่างนี้บอกว่าถ้าบอกว่าในสมัยไหนเนี่ยที่เขาเห็ น, น, นเดอร์วพวกคติยาบฑิตคติยาบฑิต น, นี่หมายถึงคนที่เป็นชนชั้นกษัตริย์มีความรู้ความเรียนนะจบ รู้มาเรียนมาก็แต่งคำถามเพื่อที่จะเอาคำถามเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าให้จนไปถามพระพุทธเจ้าให้จนก็เพื่อที่จะถามอย่างนี้ตอบอย่างนี้นตอบอย่างนี้มาแล้วจะถามตออย่างนี้ตอนให้จนมาเงินแต่พอไปถึงยังไม่ทันจะขามคำถามพระพุทธเจ้าแสดงถามให้ฟังนะแ ส, สดงถามไม่ฟังแล้วก็หายสงสัยใลทีนี้นะมีความที่ยังไม่ทันจะถามคำถามเลยมีความมั่นใจใน เนื้อหางธรรมะมีความมั่นใจในการปฏิบัติตรงนั้นเขาก็เลยขอบวชคติยปนิตเหล่านั้นขอบวชบวชเสร็จแล้วตายกาเหลืองนะนี่เป็นเครื่องยืนยันอย่างที่หนึ่งในทีทำให้เขามีความมั่นใจว่าเออพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยเป็นของดีจริงๆเป็นของที่จริงๆ เ, เครื่องอ้างอิงอย่างที่2นะก็เป็นลักษณะเดียวกันแต่เป็นมาจากพวกพราม์บัณฑิตนะพรามนี่ก็ เป็นที่มีความรู้มากอยศึกษาคมภีร์เรื่องวิธีการบูชา น, นันน่นนะี้นั่นนะพวกพราหม์นี่เขาค้อแต่งคําถามมาไปตามพระรูชาวเนะี่ยท่ามเห็นพราหมณ์สักคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปทําอย่างนี้พอทําอย่างนี้เสร็จแล้วพอไปถามคําถามนะ่ยยังไม่ทันจะถามคำถามเลยเนะี่ยผูกคําถามเอาไว้แต่งปัญหาเอาไว้ทุกลู่ทางละ่นะนี่ว่าถามอย่างนี้เราจะต้อนแก้ตอบแก้อย่างนี้นะีแต่พอไปถึงแล้ว ย, ยังไม่ทันจะถามคำถามเลยเริ่มฟังเนะีพระรูชาแสดงธรรมคติให้ฟัง นะฮะผู้ชายเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังก่อนแลนะจิตใจเกิดมีความอาถรรพร่าเริงขึ้นมาหนะักอาถรรพร่าเริงมีจิตตั้งมั่นมีความมั่นใจมีความศรัทธาปุ๊บขอบวชบวชเสร็จแล้วเป็นไงนะีตายคาพระเหลืองนะีก็ตายคาพระเหลืองหมายความว่าเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดอายุขยัยนะแล้วก็สบายใจละอย่างนี้คือตายคาพระเหลืองจนจบหมดอายุ ข, ของเขาไปนะนี่คือเรื่อง อ, งอันยิ่งใหญ่อย่างที่2 เรื่องอ้างอิงอย่างที่3นั้นก็คือเหมือนกันในะอย่างที่3มอย่างที่4ก็คือข้าราชกาหรือว่าสมณพราหมณ์สมณบัณฑิตพวกนี้นะถ้าคนในสีรวันนีนนนะ้จะเป็นกษัตริย์พราหมณ์รารบชกาหรือว่าสมณพระตามนะสมณราชเหล่าอื่นนะที่ว่ามีความสงสัยมีความแปรงต่างมีความรู้ความเรียนมาแต่งคาถามมานะจะไปถามพระเจ้ายังไม่ทันถามก็ถามเลยอย่นะางพระเจ้า แสดงธรรมปลูกใจให้มีความอานฮันราดเริงในมีความมั่นใจแล้วคนหลัอนขอบวชขอบวชในบวชแล้วก็สามารถศึกษาทำอยู่ไปได้ในสำหรับสมณะแล้วก็ยังมีความมั่นใจด้วยว่าเออตัวเองเป็นพระอาหารหันต์แล้วอย่างนี้ก็มีแตถ้าเป็นอย่างนี้คือเขามีเครื่องอมั่นใจเครื่องอ้างยิงแนวที่ทําให้ยืนยันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสมมาสมพุทธ h พระธรรมเป็นสวัสดตะพระสง์เป็นสุปฏิปันธ ในะพระพุทธเจ้าเป็นสมมาสมุทตะก็คือตรนะสุรูชอบได้โรยรองเองใะพระธรรมหลักข้อมูลแหละนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนมาดีแล้วนะทีนี้พระสงฆ์แหะก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทีนี้อันเนี้ยเป็นความหมายที่บุคคลที่ชื่อว่าพิโลโติก ะ, ะปริภัฒชอเป็นคนบอกมาทีนี้พระเจ้าก็ไม่ได้ยืนยันไม่ได้คัดค้า น, นจริงๆแล้วจำนวนตรงนี้ก็มีหลายคนที่พูดอย่างนี้เหมือนกัน นะหรือบางทีท่านปิงกิยานิพรามหรืออีกลหลายๆคนก็มเีเครื่องอ้างอิงเครื่องยืนยันในลักษณะนี้กันทีนี้ตรงเนี้ยไม่ใช่ที่พระเจ้ายืนยันคือใครก็ตามเนี่ยเราดูลีลาการแสดงธรรมของพระเจ้านะือหมายว่าถ้าเขามีศรัทธาในพระพุทธธรรพระสงฆ์เนี่ยพระเจ้ า, าก็จะไม่ทํำลายศรัทธาของเขาในคิดดูวสมมติบ้ามีใครพูดลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ถูกนะก็พระเจ้าก็ไม่พูดอย่างนั้นแต่พูดสิ่งที่ถูกออกมา ว่าสิ่งที่ถูกเครื่องอ้างอิงที่จะยืนยันว่าอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิจริงในะพระธรรมเป็นสวาสดิตาจริงพระสงฆ์เป็นสุดปฏิปัญญา จ, จริงเนี่ยให้ถึงเครื่องยืนยันอย่างนี้นะแต่ไม่ได้บอกวักว่าของขอผิดแต่นะพระเขามีนคนมีศรัทธ า, ายอยู่แต่บอกว่าที่ถูกเนี่ยเป็นยังไงนะที่ถูกเป็นยังไงท่านฟังนะคือถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งนะมีศรัทธ า, า อ, อบูตรจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องเรื่องจะมาแล้วปฏิบัติตามศีล นะมีมัชชิมศีลจุลศีลมหาศีนะก็เลยไปก่อนจุลศีลมัชชิมศีมหาศีลนศีนะกี่ข้อกี่ข้อปฏิบัติตามนะปฏิบัติตามเสร็จแล้วนะมีทําจิตให้สงบได้ละนิวรณ์ได้สามารถมีสมาธิไดนะ้แล้วก็ปฏิบัติตามปัญญาเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงคือไล่มาแหละตั้งแต่ศีนสมาธิปัญญาแต่ว่าพระสูตรนี้พระเจ้าพูดยาวมากเลยนะก็คือเรื่องของสามัญญผลไล่มาตั้งแต่ศีล สมาธิมีอะไรบ้างแยกเป็นฌานสีารายละเอียดเป็นยังไงเครื่องกางกั้นเป็นยังไงอธิบายหมดนะเราก็เหตุปัจจัยอะไรที่ทําให้เขาสมาธิได้นะคุณสมบูรวมอินทรีย์ยังไงคุณรู้จักการรับประทานยังไงนะคุณรู้จักการที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นยังไงแตนะ่เสร็จแล้วมีปัญญาในะส่วนที่ปัญญาเนี่ก็ไล่มาเลยนะปัญญาทั้ง6นะหรือบางบางในยะก็วิชาทั้งสามนะแล้วถึงจุดที่เรียกว่าจุดตัวเองเนี่ย หมดสิ้นกิเลสทั้งหมดนะก็ถึงความมั่นใจเลยนะว่าอันเนี้ยพระพุทธเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวากาตะพระสงฆ์เป็นสุปฏิปนณะตรงนี้เป็นนัยยะหนึ่งที่ทําให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วพุทธธรรมสงฆ์เนี่ยอยู่ในใจของเรานะเป็นหนึ่งเดียวกันเอ๊ะพุทธธรรมสงฆ์อยู่ในใจของเราเป็นหนึ่งเดียวกันหมายความว่าไงนะ่ะคือคือพวกเราจะเข้าใจว่าสงฆ์เนี่ยก็คือสิ่งที่ขา้างนอกใช่ไหมแต่เป็นพระสงฆ์นุ่งเขา นุ่งเหลืองกลนหัวเดินไปไหนบินธบตัตไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่พรชาบอกว่าเธอจะยืนยันถึงความมั่นใจได้อย่างไรเนี่ยเรื่องที่ทําให้ถึงความมั่นใจว่าพระพุทธเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวัสดาตะพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันนัจริงๆรเนี่ยเรื่องอ้างอิงอันนี้อยู่ในใจของเราอาศัยได้เป็นเหตุอาศัยการที่คุณเดินตามมรร อาศาที่คุณเดินตามมรคคือศีลสมาธิปัญญาแล้วคุณจะเกิดความมั่นใจตรงนี้อยู่ข้างในใจความมั่นใจความสบายใจความเขาเรียกว่าความมั่นใจความมั่นคงตรงนี้อยู่ในใจเนี่ยคือมันเกิดจากใจตรงไหนในะตรงที่ว่าสมมุติคุณฟังธรรมะเอาไม่ต้องรอถึงตอนที่เราบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้เอาตอนนี้ก่อนแตนะ่เราจะเข้าใกล้ถึงความมั่นใจตรงนั้นได้อย่างไรในะสมมุติว่ า, เ, าเราฟังธรรมะไปนะเนื้อหาข้อมูลใดๆก็ตามในะที่เป็น คำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าฟังจากคนที่เขาเอาของพระพุทธเจ้ามาบ่อยทีหนึ่งนั่นเรามีความมั่นใจในเนื้อหาตรงนี้มีความมั่นใจในกระบวนการมีความมั่นใจในวิธีการมีความมั่นใจในขั้นตอนตรงนี้คือคุณมีความมั่นใจในประตมใช่ไหมคุณเอาตรงนี้มาปฏิบัติปฏิบัติเสร็จแล้วการปฏิบัติตรงนั้นแหะคือสงของคุณนั่นคือสงนันคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครปฏิบัติไม่ใช่คนข้างนอกเลยแต่เป็นตัวเราปฏิบัติ ปฏิบัติอยู่ที่ไหนปฏิบัติอยู่ที่ในใจของเรานั่นคือสงในใจกุลละนะคุณปฏิบัติไปกุลจะเกิดความรู้ขึ้นความสบายใจขึ้นเช่นคุณปล่อยว่างได้จิตใจมันสว่างวาบขึ้นมาว่าบหนึ่งคุณเข้าสมาธิได้จิตใจมันสบายลงไปความรู้ความสรงนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นคือพุทธะพุทโธนั่นคือพระพุทธในใจกุลนะสมมุติว่าเราเอาข้อมูลมาปฏิบัติสามีครั้งหน่นะท่านฟังเอาพระธรรมมาปฏิบัติการปฏิบัตินั่นคือสงในใจกุลคุณปฏิบัติแล้วคุณณเห็นนคุรู้้ขึมา นั่นพุทธะในใจคุณแตนะ่คุณทําไปทําไปทําไปเนี่ยพระเจ้เบรฟเที่ยมเหมือนกับการที่เราไปตามหาช้างนะตามหาช้างสักตัวใดตัวหนึ่งแตนะ่คุณต้องการตามหาช้างตัวใหญ่มากแหะเป็นช้างพันธ์ที่ตัวใหญ่มากแล้วนะคุณเดินตามไปตามทางเนี่ยคุณจะเจอรอยแทะงงาของมันรอยสีตัวของมันเจอรอยเท้ามันก่อนนะเจอรอยเท้าเสร็จแล้วเจอรอยแสะงงารอยสีตัวรอยที่มันหักกิ่งไม้นะโอ้รอยเท้ามันใหญ่ไงเราจะเริ่มมั่นใจขึ้นมาหน่อยนึงละ แต่ยังไม่เห็นตัวมันอาจจะมีปสัตา์ประเภทอื่นที่รอยเท้าใหญ่ยิง่งกันแต่ว่าไม่ใช่ตัวมันก็ได้แั้นเดินไปหน่อยเห็นรอยสีตัวโอ้รอยสีตัวอยู่สูงแฮะสงสัยต้องเป็นสายประเภทนี้แน่แต่ว่ายังไม่มั่นใจเพราะยังไม่เห็นตัวแล้ก็เดินต่อไปอีกแล้วก็จะเจอรอยแท่งงาโอ้รอยแท่งานี้ทั้งลึกทั้งยาวทั้งบอกลักษณะงามันแม่สงสัยจะใช่แล้วเดินไปอีกเดินไปเรื่อยเื่อยเนี่ยจนกระทั่งคุณเจอตัวเขาแล้วคุณเจอตัวช้าง จริงๆนั่นแหละคือจึงความมั่นใจแต่ว่าโอ้นี่คือช้างประเภทที่เราหาแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะถึงความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านฟังแล้วเราก็เดินตามมากไปแล้วคุณปฏิบัติไปอย่างเงี้ยเอ่อเอาข้อมูลมาทําข้อมูลนั้นคือพระธรรมจะเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าสอนไว้หรือว่าคุณฟังจากคนที่บอกต่อจากพุทธเจ้ามาเสร็จแล้วเอามาปฏิบัติตามาปฏิบัตินั่นคือพระสงฆ์ในใจคุณนะคุณมีสงฆ์เกิดขึ้นเจรินิดละนิ ด, นด ใ, นในใจคุณนะพวกคุณทําไป มีความรู้ใดๆเกิดขึ้นมานั่นคือพุทธในใจคุณเกิดขึ้นทีเล่น น, นิดๆก็คือเหมือนอย่างเราเห็นร่องรอยของพุทธธรรมสงใ์ในไหนในใจของเรานะไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเพราะฉะนั้นสิ่งภายนอกอะไรต่างามันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็เรื่องของเขาในเรื่องของสิ่งภายนอกแต่ในใจของเรามีพระพุทธอยู่ในใจของเรามีพระธรรมอยู่ใ น, ในใจของเรามีพระสงฆ์อยู่นะในกรณีเนี้ยไม่ได้หมายถึงว่าพระพุทธรูปรูปปั้นที่อยู่ข้างนอกนั้นก็ส่วนหนึ่งก็แยกไป อย่ไม่ได้หมายถึงในหนังสือธรรมะหนังสือคัมภี์คัมภีรใบลานหรือตู้ประติบิดกอันนั้นก็แยกไปไม่ได้หมายถึงคนที่โกนผมห่มเหลืองไปบินตาบาตน่ยนั้นก็แยกไปอีกส่วนหนึ่งแต่ที่เรากําลังพูดถึงนี่คือพุทธรรมสงในใจของเราอํานาจของพุทธรรมสงนี่แหละคือตรงนีนะ้คือความรู้ที่เกิดขึ้นในใจของเรานะความมั่นใจในธรรมะที่เราเอามาใช้งานการใช้งานการปฏิบัติตรงนั้นคือสง์ในใจของเรา ดังนั้นเราทาพูดทาสงฆ์ให้เกิดขึ้นในใจของเราเราไม่จําเป็นต้องพึ่งสิ่งภายนอกตรงนี้คือพึ่งธทำพึ่งตนพึ่งทำเลยพึ่งตนพึ่งธทำเดินไปตามมาร์กเดินไปตามทางเราจะถึงความมั่นใจในที่เดียวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นสวากาตะพระสงฆ์เป็นสุปฏิปนาจริงๆนะเราทําอย่างนี้นะเราพึ่งตนพึ่งทำได้ในวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังนั้นก็จะเอา พุทธพจน์ที่พระเจ้าได้อธิบายไว้นั้ได้สอนเอาไว้มาบอกต่อบอกต่อแล้วเราก็ทําหน้าที่ในการที่อธิบายนะตามความรู้ความเรียนของตัวข้าพเจ้าเองทีนี้ว่าในการอธิบายนั้นก็อาจจะมีสิ่งที่ท่านผู้ช่างอาจจะถามเพิ่มเติมได้หรือมีสิ่งที่ท่าฟังอาจจะมีทําความเข้าใจเอาไปปฏิบัติได้ก็กดีด้วยเมื่อวานนี้ได้กล่าวถึงพุทธพจน์ในบทที่ สิ่งที่สมณะควรจะพิจารณาอยู่หนึ่งหนึ่งสมณะในที่นี้เนี่ยก็คือคนที่ออกจากเรือนนะ อ, อกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนก็หมายถึงพระสงฆ์นั่นเองพระสงฆ์นี่คือรวมถึงสงฆ์ที่อยู่ในใจคุณด้วยนะคือบางคนเนี่ยไม่ได้บวชไม่ได้บวชในลักษณะที่ว่าโกนผมห่มเหลืง้งนะเป็นผู้ชายบวชได้แตนะ่เป็นผู้หญิงเอาบวชไม่ได้ยิง่งฉั้นเป็นสงฆ์ไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่นะการบวชในที่นี้ บวชที่เป็นรูปแบบภายนอกก็มีใช่ไหมอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยคุณต้องมีบริการมีอะไรต่างๆนั่นก็เป็นบทชบรรยัญญติอีกเรื่องหนึ่งไปในเรื่องว่าการบวชในลักษณะที่การประพฤติพรหมจรรย์ก็มีการประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการบวชมือนกันเพราะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ก็อยู่ที่ศีลนะศีลแปดนั่นเองสมมติบาง ท, ทีเรารักษาศีล8ไปวัดเราไม่ได้กนผมเรานุ่งขาวอันนั้นก็เป็นการบวชรูปแบบหนึ่งเหมือนกันในเพราะฉะนั้นการออกจากเรือน นะีไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเะนสมมุติเราไปอยู่วัดอย่างเงี้ยหรือไปสถานที่หลีกเล่นไปปฏิบัติธรรมสัก7จวันสิวันเดือนนึงอย่างงี้ก็เป็นเข้าข่ายลักษณะนี้เหมือนกันนะีพูดที่เป็นประพฤติพรหมจรรย์นในลักษณะนี้เนะี่ยจุดที่เป็นรูปแบบบทที่เป็นไม่เป็นรูปแบบนะีหรือพูดถึงการปฏิบัติในใจของเรามาพูดถึงสงใน ใ, นใจเนี่ยก็ต้องทําอย่างนี้เหมือนกันเนะีคือต้องมีความพิจารณาว่าเรามีเพศต่างจากเรือดแล้ว นะการทําอะไรการปฏิบัติอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องคอยดูคอยระวังนะเพราะคุณธรรมต่ตางกันยังไงต่างกันเรื่องของการเสพกามนั่นเองนะผู้ที่ประพฤติพรมนะมาจก็จะต่างกับคุณธรรมเรื่องของการเสพกามนะตรงไหนยังก็ได้เขากินข้าวเย็ยนไดนะ้คนที่เสพกามเขาก็ยังโอ้อาหารเย็นอร่อยๆเขากินสบายใจเลยแต่คนที่ประพฤติประมาจก็กินข้าวเย็ยนไม่ได้ตอนนี้ทำไมอาหารได้อร่อยๆที่เคยจะกินอกก๊อดงดหรือว่า ทาหน้าทาปากแต่งตัวนะประดับเครื่องหอมรูปลายรูปทานในฐานะเป็นการแต่งตัวก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็เรื่องการเสพกามก็ต้องลดลงไปนะก็ต้องคอยตรึกตรองตรงนี้ข้อที่2ก็คือพูดถึงการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นนะเพราะว่าไม่ได้ทำหากินนี่ใช่ไหมการไม่ได้ทําำหากินการกินข้าวนะก็อย่างคนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าในสงฆ์นี้ก็ตามเนี่ยก็มีอาหารให้ฟรีที่อยู่ฟรี แต่ระงด็นการที่ปฏิบัติตรงนี้ก็คือต้องคอยระลึกถึงว่าจะทํายังไงให้ไอข้าวที่เรากินเนี่ยไม่พาเราไปตกนรกนะหรือจะทําไงให้การกราบการไหว้ที่เขากราบเข้าไหว้เราเนี่ยการถูกกราบไหว้ตรงนี้ไม่ทําให้เราพาไปตกนรกอย่างก้อนข้าวที่ตัวข้าพเจ้าเองกินอยู่ทุกวันเนี่ยนะไปบิณบาตมากินเนี่ยเราก็ระลึกเสมอนะว่าเจะทําไงไม่ให้ก้อนข้าวนี้พาเราไปนรกนะคิดอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องปฏิบัติละเราก็ต้องทําความดีละต้องรักษาศีลต้องทําอะไรก็ เราพิจารณาเอาสิ่งดีๆที่ทําให้เรามีขึ้นไปกว่านี้มีหรือไม่นะนี้ก็ต้องพาพิจารณากันดูนี้ก็เป็นเรื่องที่ทได้กล่าวไว้เมื่อวานนี้ อ, อ, อีประการหนึ่งที่ได้ออพูดไว้ในคําพุทธเจ้าที่ได้เราให้ฟังเมื่อวานนะัคือตื่นถึงภไยในอะนากต5ประการท่านฟังนะว่ามันมาแน่นะฟันธงให้ยืนยันรับรองถ้ามาแล้วนะคุณจะทํำยังไง เป็นข้อสอบที่บอกคำตอบให้แล้วด้วยนะมีสอบแน่นอนบอกให้แล้วเรืนะ่องของความเจ็บป่วยนะความที่จะต้องแกนะ่ความที่เราจะต้อง เ, อเจออาหารที่มันแพงขึ้นนะข้าวปลาอาหารหา ย, ยากทุพิภัยอย่างนีนะ้หรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีแต่คนไม่สามารถกินกันนะในปัจจุบันเราเห็นไดนะ้อาหารแพงขึ้นมากนะไปตลาด300บาทนี่ ซื้ออะไรแทบจะไม่ก็ได้หนาะพันห น, นี่ก็ได้มานิดนิดหน่อยหนตัวนองจะมีสมัยที่ข้าปลาอาหารหายากหนาะข้าลอาหารหายากเราจะทํายังไงนะหรือจะมีสมัยที่สงจะแตกกันนาสงจะแตกกั น, นะกกนไม่ลงโอบโบสถร่วมกันมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันหนะาแยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายสมัยนี้เราก็เริ่มเห็นลางๆละหนะว่ามีตานแตกกันเป็นหลายนิกายมห ah ายานวชิระยานเทรวาฏอะไรต่างๆในประเทศไทยก็มีธรรมยุทธ์มห ah านิกาย โอ้แต่ละคนแต่ละท่านก็คินกันไปแล้วก็มีความแตกต่างกันเห็นได้ ล, ล่ะนะมันจะยิ่งหนักหน้าไปกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าในภายในอนาคตที่จะมาถึงเนี่ยเราจะทํำยังไงนะจะทําจิตอย่างไรจะทําอะไรให้เกิดขึ้นในใจเรานีที่เมื่อภัยเหลังมาถึงแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ป่าสุขอยู่ได้คุณจะทํายังไงให้เกิดพระพุทธพระธรรมประสงค์ขึ้นในใจของคุณง่ายๆกันเนี่ยถ้าใช้คุณมีพระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งในใจนะเพราะอะไร พระพุทรูปเนี่ยมันแตกได้นะน้ําท่วมก็จมน้ําได้พระธรรมนี่ยปลวกขึ้นตู้ไปได้บิด ก, ก็มีกินอนะกินกระดาษหมดเลยหายไปแล้วนะนะหรือประสงค์ปฏิบัติ ด, ดีก็มีปฏิบัติไม่ดีก็มีเาราจะทํำยังไงเราก็จึงต้องเอาพระพุทธพรรมพระสงค์เนี่ยเข้ามาอยู่ในใจของเราให้ได้เนะีเรามีเครื่องอ้างอิงเครื่องมั่นใจอย่างนี้แล้วนะีพอเรามีพระพุทธธรรมพระสงค์กุก็จะเติอนตามมัครู้อริยสัจสได้พอรู้อริยสัจสแล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นภายนอก ภัยพิบัติต่างๆความแก่ความเจ็บคนสามาัคคีกันคนแตกกันพระสามาัคคีกันพระแตกกันเราก็จะสามารถมีความภาสุขอยู่ในใจเราได้ทีนี้ไอเรื่องของการแตกกันการที่แยกกันเป็นฝักเป็นฝ่ายเนี่ยพระราชาก็คือไม่ใช่ว่าสมัยปัจจุบันเรามีอย่างเดียวในในสมัยพุทธกาลก็มีพะภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเนี่ย แ, นะแตกกันแต่ก็นแล้วทำยังไงล่ะหลายท่านก็คงจะทราบรายละเอียดในเรื่องนี้ดีกันอยู่เพราะว่า เรื่องของวินัยนักพระวินัยทรกับพระธรรมะกถึกแตกกันใช่ไหมเป็น2ฝ่ายาพระเจ้าจะไม่ได้ลงอะไรตรงนี้แต่จะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสเอาไวา้นะว่ า, อาพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าทำยังไงนะพระเจ้าก็โอ้ยพูดอย่างนี้บอกยากสอนยากนะบอกให้สามาัคคีกันก็ไม่ยอมสามาัคคนะีบอกให้หยุดพูดก็ยังจะพยายามที่จะพูดให้มันหากล้างกันไปข้างหนึ่งนะก็เลยตรัสคาถานี้ขึ้นมาอันหนึ่ง ตรงฝังนี้เป็นกระาที่สาคัญมากเราบอกว่าผูา้บัณฑิตลืมตัวนะสมัครที่จะพูดตามทางที่ตนปรารถนานะจะพูดอย่างไรก็พูดพลาดไปอย่างนั้นหาได้คำหนึ่งถึงกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะ ก, กันใหมนะ่การทะเลาะ ก, กันเนี่ยตรงฝั่งไม่ดีก็ดจากอะไรกิเลสเหนือกิเลสจะเป็นเคลื่อนที่ทาให้ทะเลาะ ก, กันความรู้ที่เรามีมาถ้าเราลืมลืมอะไรลืมตัวลืมยังไงลืมให้มันมากินเรา เนี no, ing, ่ยทำให้ตกเป็นท่าของมันก็เลยพูดพร่ำไปก็เลยเป็นเหตุให้ทะเลาะกันทำยังไงจะแก้ยังไงนีก็คือว่าต้องตระหนักถึงว่าถ้าเราจะแหลกรานเพราะการทะเลาะกันเนี่ยถ้าเราเห็นนี่ว่าเราจะแหลกรานเพราะการทะเลาะกันสํานึกได้ตรงนี้เนี่ยย่อมระงับความมุ่งรายได้เนี่คนทะเลาะกันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมาจะแหลกรานกันไปตรงกู้เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นตรงนี้เราจะเลิกทะเลาะกันได้ถามว่าทำไมไม่เห็นเพราะว่าอวิชญ์มันบังอยู่ ทำไมอวิชาบางเพรามีตันหามันจับไว้ตันหามันยืดไวอวิชาบังเอาไว้มันเลยไม่เห็นว่าการทะเลาะกันเนี่ยมันจะทําให้มีความชิบหายกันไปทุกข้างนะก็ถ้าเห็นตรงนี้ก็จะสามารถที่จะละได้ละการทะเลาะกันได้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้ท่านผู้ฟังลองคิดดูสิความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกลุมเกลียวกันยังมีได้กับพวกโจรพวกโจรเขารุมกันเผาบ้านเผาเมืองรวมกัน โกงรวมกันที่จะปล้นอย่างนี้ก็มีเราเห็นแก๊งโจรอย่างเงี้ยนะโจรในรูปแบบต่างๆโจรที่ปล้นฆ่าก็มีโจรซนอกก็มีอย่างเงี้ยเพือนเขาก็รวมกันยังโกงกันได้ทําไมคนดีๆที่มีศีลจะสามัคคีกันไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสามัคคีกันเนี่ยเป็นสิ่งดีเนียังทําให้โจรมันรุ่งเรืองดีขึ้นมาได้ความสามัคคีดูสิเพราะฉะนั้นถ้าคนดีๆมาสามัคคีกันนํามันยิ่งจะดีทีนี้ถ้าบอกมันไม่สามัคคีกันแล้วจะเป็นยังไง เราจะเอาตัวรอดยังไงผู้รู้ชทําำยังไงทำฝังดูเหตุการณ์นี้ก็ได้แล้นะวผู้ร้ชอก็เพ่นเลยทำฝั่งหนะนีหนีจากพวกพิกศุชาวโกฉมีไปอยู่รูปเดียวอยู่ในป่ารักกิตวันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ว่าป่าเรไรที่เราเคยได้ยินกันที่มีช้างกับลิงมาอุปตากนะแล้วเราเห็นได้ว่าถ้าบอว่าคนไม่ดีมันอยู่กันเยอะเนี่ยเราทำยังไงเราก็เพ่นเลยหนีนะกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการรบในะทำฝั่งถ้าใครเคยอ่านวรรณกรรมเรื่อง3ก๊กเนี่ย กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการรบนั่นก็คือการหนีแนววิธีการรบที่ดีที่สุดนั่นคือการที่ไม่ต้องสู้ไม่ต้องใช้อาวุธนั่นคือการรบที่ดีที่สุดนะใครที่เป็นนักพิชัยสงครามเนี่ยที่เรียนรู้การรบมาเนี่ยเขาจะต้องพูดอย่างงี้เหมือนกันถ้าเป็นนักยุทธศาสตร์นักวางแผนต่างๆก็จะทราบข้อมูลนี่ดีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่ว่ามีเหตุการณ์ในบ้านเมืองที่มันไม่สงบตรงนั้นก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนั้นอาวุ่นวายไปหมดเราทําไง เราหนีจำฝังเพ่นเลยหนียังไงเป็นยังไงคือหมายว่าไม่ใช่ว่าให้เราไปอยู่ป่าอยู่อะไรองั้นไม่ใช่แต่ว่าให้เราเก็บจิตของเราอย่าเอาจิตของเรามาป้วนเปี่ยนแตถ้าเราเอาจิตงเรามาป้วนเปลี่ยนข้างนอกนะเหมือนนกนกมูลไถมันหาบินขึ้นไปเกินยอดไม้มันจะถูกนกเหยี่ยวกัดกินได้โฉบไปกินได้นะเราเก็บจิตของเราเลยเก็บจิตของเราให้ดีเลยเนีนไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกเขาจะวิจารณ์อะไรไปไงก็เรื่องของเขาใครจะพูดยังไงให้มันแตกกันที่มันดีกันก็เรื่องของเขา แต่ว่าเราเนี่ยทำดีของเราคือไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทําดีนะคือเรารู้ว่าอะไรต้องทําอะไรควรละในกรณี น, นี้สิ่งที่ควรละคือความที่ไม่ดีความคิดไม่ดีความที่เราไม่เก็บจิตอันนี้เราต้องต้องสละออกสิ่งที่เราต้องทําคือรักษาจิตของเราทําดีเราทำํำพูดสิ่งดีๆทําสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆเก็บจิตของเราให้มันดีๆเพนอกเลยเพนออกจากสิ่งวัตลามแบบนั้น ด้วการเก็บจิตของเราให้ดีในะรักษาศีลให้ดีในะทำสมาธิให้ดีในะเรื่องดีๆเราพูดอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะเคยเล่าให้ฟังในสมัยหนึ่งผู้เจ้าของเราเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นพระองค์เป็นโพธิสัตวนะ์เกิดในสมัยของพระราชาที่ชื่อว่าพระเจ้ามาวิชิตราชตอนนั้นพระองค์ก็เป็นปโรหิตสั่งการบูชายันญนะคือพระเจ้ามาวิชิตราชเนี่ยต้องการจะบูชายันละ่ะเพราะว่าตัวแหมตัวเองได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิขนาดนี้ นะมีสมบัติขนาด น, นี้ก็เลยคิดว่าจะทําการบูชาสักอย่างใดอย่างหนึง่งนผะู้โรหิตที่สั่งการบูชาอย่างก็แนะนําอย่างนี้บอกว่าแ ว, นแว่นแควเนี่ยยังมีความเดือดร้อนอยู่ยังมีความไม่สงบอยู่นะแล้วก็ถ้าบอกว่าเราเจะบูชาตอนนี้มันก็ไม่สมควรจะทําความดีตอนนี้นก็ไม่สมควรยังมีเรียกว่าลางไม่ดีอยู่นะคือความที่ปล้นฆ่ายังมีโจรผู้ร้ายอะไรอย่างนี้อยู่จะทําการแก้ไขยังไง ถ้า เ, เราจับโจรฆ่าเขามันก็ไม่ถูกเพราะว่าพวกคนที่ใกล้ชิดเขาก็ยังมีอยู่เชีนนหําหลักต่อก็ยังจะต้องมีคนอยู่ต่อไปก็ชื่อว่าไม่เป็นการทําให้สําเร็จรับคาบดีดีวิธีการแก้จะเป็งไงนะอันไหนคนไหนดีเราสนับสนุนคนนั้นนะคนไหนเป็นข้าราชการทํางานอย่างดเาีเราให้เงินเพิ่มคนไหนเป็น เ, เนกษตรกรทําการอย่างดีทํางานอย่างดีเราให้พืชพันุ์เราให้โคนะคนไหนเป็นพ่อค้าค้าขายอย่างดีทํางานดี นี่หมายความ่งไงนะดีก็คือตามศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมทำสัมมาอาชีวะเป็นคนมีศีลเป็นคนรักษาสัจจะได้ทําอย่างนี้ได้อย่างดีนะก็ให้เงินเพิ่มนะทำเพิ่มอย่างเงี้ยเอาให้เพิ่มคนดีๆเพิ่มนะช่วยกันสนับสนุนคนดีนะยกย่องคนดีให้คนดีมีเนื้อที่ในสื่อมากขึ้นให้คนดีเป็นตัวอย่างออกมามากขึ้นเนี่ยประชาชนทั่วไปก็จะควนขวายในการงานของตนนะให้พวกที่ชั่ ว, วเนี่ย มันก็จะเริ่มเห็นเราเอ้ยทำดีมันได้ดีไงเออฉันไปทําบ้างถึงนี้ถึงจะดีช่วยกันสนับสนุนคนดีท่านผูงคนไหนดีเราช่วยกันสนับสนุนในะอันนี้จะเป็นเหตุเป็นเข า, ขาเรียกว่าเข้าข่ายในตามคําแนะนําของบริษัทว์นั่นะคือโปรโหิต ท, ที่แนะนําการสั่งบูชายันในสมัยของพระเจ้ามาวิชิตราชนะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วผนะลคืออะไรผนะลที่เกิดขึ้นก็คือว่าทําให้บ้านเมืองเนี่ยหมดเสีย น, น้ำหลักต่อ จนผู้ร้ายไม่มีนะจนผู้ร้ายนั้นก็กลับใจนะเพราะเห็นคนดีได้ดนะีเงินในคลังหลวงก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็สบายไม่มีจนผู้ร้ายนะประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขนะให้พ่อแม่ให้ลูกเต้นฟ้อนอยู่บนอกไม่ต้องปิดประตูเรือนก็ได้สบายใจนะแล้วก็มีการบูชายอย่างชนิดที่ไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์อะไรไม่มีสัตว์ไหนต้องมาตายไม่มีใครต้องมาถูกทําให้วิบัตรพริพลาด นะทาต ก, กรลักรคนใช้ก็ถูกทํางานอย่างที่ว่าไม่ต้องทํางานน้ําตาลองหน้าทํางานไปพลางแลนะเพราะอยากทําอันไรก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําแต่งานการทุกอย่างก็สําเร็จลุล่วงไปเรื่อยเรื่อแต่ไม่มีต้นไม้ต้องถูกตัดมาไม่มีเชื้อเพลิงต้องถูกเผาพลานนะการบูชา ย, ยันนั้นเป็นบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆริงนะเหมือนกันในสมัยนี้เราสามารถทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้ด้วยการที่เราสนับสนุนคนดีใครดนะีเราให้เราหมายมากขึ้น เราสับสนยกย่องเขานะพูดเรื่องของคนที่ดีๆให้มันมากนะก็จะทําให้คนที่ไม่ดีเขาก็กลับใจได้เหมือนกันนะคือถ้าเรายังมีกิเลสอยู่ยังมีอวิชชาครอบงําอยู่เนี่ยบางทีมันก็พลิกผันไปไม่ดีไดนะ้เราก็ให้โอกาสในการที่จะกลับตัวกลับใจกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสับสนคนดีทําดีมากขึ้นนะพูดสิ่งที่ดีทําสิ่งดีๆนะทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนตามฝั่ ง, งนะวันนี้ข้าพเจ้าพรบไพบูุญภิบุโน จากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนในการแสดงธรรมนี้ก็เป็นการนําข้อมูลที่พระเจ้าได้บอกไว้สอนไว้มาบอกต่อให้นัฟังฟังแตถ้าเผื่ว่าท่านฟังมีส่วนไหนที่ยังมีคําถามอยู่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็อย่าได้ลังเลที่จะเขียนถามมาได้นะส่วนไหนที่ฟังแล้วเห็นจะเป็นประโยชน์ก็ขอให้นําไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลโดยชอบด้วยข้าเจ้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญปาน